การที่พวกเราเข้ามาหาพระพุทธศาสนาเราทราบหรือไม่ว่าเราเข้ามาหาอะไรกันเพอพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนร้านขายของร้านขายของแต่ละร้านก็มีของขายที่ไม่เหมือนกัน เราต้องการรถยนต์เราก็ไปร้านขายรถยนต์เราต้องการบ้านเราก็ไปร้านขายบ้านเราต้องการอาหารเราก็ไปร้านขายอาหารแต่ละร้านนี่เขามีสินค้าเฉพาะตัวของเขาไปซื้อบ้านที่ร้านขายอาหารก็ไม่มีบ้านขาย ทางตรงกันข้ามไปซื้ออาหารที่ร้านขายบ้านก็ไม่มีอาหารให้ซื้อการที่เรามาเข้าหาพระพุทธศาสนาเราทราบหรือไม่ว่าพระพุทธศาสนาขายอะไรให้กับเรามีอะไรขายด้านของพระพุทธศาสนานี่ขายอะไร ถ้าเราไม่รู้เราก็อาจจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้พระพุทธศาสนาขายอะไรก็ขายรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี่แหละคือสินค้าของพระพุทธศาสนา ขายรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคําว่ารถแห่งธรรมก็คือความสุขแห่งธรรมนี้เองความสุขของธรรมเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่เราเรียกว่าสันติสุขความสุขของพระพุทธศาสนา ก็คือความสุขที่ได้จากความสงบของจิตใจนัตติสันติพรังสุขของสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขทั้งหลายทั้งปวงในโลกกระทาตนี้ในไตพุกนี้ไม่มีความสุขใดที่เหนือกว่าความสุข ที่เกิดจากความสงบนี่แหละคือสินค้าที่พระพุทธศาสนาจำนายพระพุทธศาสนาไม่ได้จำนายถาวรวัตถุต่างๆไม่ได้จำนายพระพุทธรูปไม่ได้จำนายเจดีย์ไม่ได้จำ น, า ย, JD, จำนายโบสถ์ไม่ได้จำนาย อะไรต่างๆที่มีการซื้อขายในพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าพุทธพาณิชย์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สินค้าของพระพุทธศาสนาแต่ไม่ทราบว่าปรากฏขึ้นมาในพระพุทธศาสนาได้อย่างไรนั่นก็เป็นเพราะผู้ที่เข้าหาพระพุทธศาสนา ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้ปฏิบัติเลยไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนานี้มีสินค้าอะไรไว้จำหน่ายก็เลยไปหาสินค้าอย่างอื่นมาจำหน่ายกันหาถาวรวัตถุต่างๆมาจำหน่ายกันเดี๋ยวนี้เห็นสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ สร้างพระพุทธรูปกันเต็มไปหมดใหญ่โตมหาศารแต่และ ว, วัดนี้มีพระพุทธรูปหรือมีรูปของครูบาอาจารย์ขนาดยักษ์ใหญ่ไม่ทราบว่าสร้างไปทำไมสร้างแล้วทำให้ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงหรือไม่ น, นี่คือถ้าไม่ศึกษาจากแหล่งแท้จริงของพระพุทธศาสนาคือจากพระพุทธธรรมหรือพระอริยสงจะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจะไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนานี้มีอะไรขายให้กับเราหรือมอบให้กับเรา ก็เลยไปได้สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบและนำเอามาแจกจ่ายให้แก่สัตว์โลกสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบก็คือความสงบนี้เองความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่ เกิดจากการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธสารพระพุทธเจ้าทรงปรารถนาที่จะมอบให้กับพวกเราสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวไม่เคยสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ ไม่คงไม่เคยสร้างพระพุทธรูปต่างๆและสงห้ามไม่ให้สร้างมีผู้สร้างพระพุทธรูปแล้วน้อมมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านี่ไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นพระพุทธรูปเราเป็นธรรมะคำสั่งคำสอนผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตคือผู้เห็นธรรมผู้เห็นธรรมก็คือผู้ที่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนั่นเองผู้ที่ได้เข้าถึงความสงบที่เหนือความสุขที่เกิดจากความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่แหละคือ สิ่งที่พระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าต้องการที่จะมอบให้กับพวกเราท่านไม่ต้องการให้พวกเรามาสร้างโบสถ์มาสร้างเจดีมาสร้างพระพุทธรูปมาทำพิธีกรรมอะไรใหญ่โตมโหลานมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาให้พวกเรา ได้สัมผัสได้รับกันสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเราได้รับได้สัมผัสก็คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีความยินดีในธรรมที่เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดรถแห่งธรรมขึ้นมานั่นเอง ถ้าเราไม่มีธรรมที่จะทำให้เกิดรสแห่งธรรมรสแห่งธรรมก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับถ้ารสแห่งธรรมเป็นอาหารอันโอชะถ้าเราต้องการประกอบอาหารอันโอชะเราก็ต้องมีส่วนประกอบของอาหารเราก็ต้องไปที่ตลาด ไปซื้อส่วนประกอบต่างๆของอาหารอันโอชาเช่นไปซื้อผักซื้อเนื้อซื้อเครื่องปรุงอะไรต่างๆแล้วก็มาประกอบอาหารอด้วยเตาด้วยไฟด้วยหม้อด้วยกระทะพอเราเอาส่วนประกอบของอาหารมาประกอบกัน เราก็จะได้อาหารอานโนชะปรากฏขึ้นมานี่แหละคือการดำเนินกิจกรรมของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาต้องการมอบอาหารอานโนชะคือรสแห่งธรรมที่เดือกว่ารสทั้งปวง พระพุทธศาสนาจึงสอนให้พวกเราไปหาธรรมที่จะทําให้เกิดลถแห่งธรรมขึ้นมาให้ไปหาธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหมือนส่วนประกอบของรถแห่งธรรมถ้าลถแห่งธรรมเป็นอาหารอนุชาธรรมที่เราต้องมีมาประกอบอาหารอนุชานี้ ก็คือส <towers> <ier> um. <lad> ่วนประกอบของรถแห่งธรรมนั่นเองสิ่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรายินดีให้เราขวนขวายหามาเพื่อที่จะได้ทำให้รถแห่งธรรมปรากฏขึ้นมานั้นคืออะไรธรรมที่ท่านต้องการให้เรา แสวงหรือหามาเป็นการประกอบลดแห่งธรรมก็คือหนึ่งให้เรามีความยินดีต่อความมักน้อยสองมีความยินดีต่อความสันโดษส ม, มีความยินดีต่อการไม่คุกคีกัน4 มีความยินดีต่อการปรีกวิเวกอยู่ที่สงบสงัดห่างไกลาจากแสงสีเสียงห้าให้มีความยินดีต่อการทาความเพียรต่อการปฏิบัติธรรมหกให้มีความยินดีในศีลเจ็ดให้มีความยินดีในสมาธิ ในการปฏิบัติศีลในการปฏิบัติสมาธิแปดให้มีความยินดีในการปฏิบัติปัญญาเก้าให้มีการยินดีในการทำวิมุตติให้ปรากฏขึ้นมาวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์สิบให้มีความยินดีกับญาณที่อย่างทราบว่า ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนานี่แหละคือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะสร้างกันขึ้นมาแทนที่จะไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปสร้างวัตถุมงคลอะไรต่างๆสร้างเมนสร้างอะไรสุดแท้แต่จะสร้างกัน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของรถแห่งธรรมนะองค์ประกอบของรถแห่งธรรมต้องเป็นหนึ่งความมาักน้อยสองสันโดษ 3. ความไม่พลุกคีกันสการปรีกเว้เความความเพียรในการปฏิบัติธรรม 6. ปฏิบัติศีลเจ็ดปฏิบัติสมาธิแปดปฏิบัติปัญญาเก้าทำวิมุติการหลุดพ้นให้ปรากฏขึ้นมาสิบทำให้ยังให้รู้ถึงให้เข้าถึงญาณนะคือญาณที่ได้บอกให้รู้ว่าจิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้ว นี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเราสร้างกันนะแต่ไม่ทราบทำไมถึงไปสร้างอย่างอื่นกันก็ไม่รู้เพราะอาจจะไม่ค่อยมีใครพูดใครสอนกันเจ้าที่เข้าไปดูในเฟซไม่มีเลยทำเหล่านี้ไม่ค่อยมีการปรากฏขึ้นมา มีแต่การเรี้ยลายบริจาคเงินทองซื้อวัตถุก่อสร้างสิ่งต่างๆกันเห็นทากันมีอยู่แค่นี้สร้างเจดีกันสร้างโบสถ์สร้างอะไรกันสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมาบุรละะซ่อมแซมเหมือนกันทำกันวนกันอยู่ในอ่าง ตอนต้นไม่มีก็ต้องสร้างมันขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็เก่ามันก็ชำรุดทรุดโทรมก็ลองมาปฏิสังขรณ์มาบบุละนะซ่อมแซมกันก็ทำกันอยู่ในวัตจักรอันนี้ในวงจรอันนี้หาเงินเงินสร้างวัตถุกันสร้างเสร็จก็หาเงินมาบุรละนะซ่อมแซมกัน แล้วมันจะไปถึงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้อย่างไรทำไมไม่ศึกษาไม่ดูว่าพระพุทธเจ้าสอนให้สร้างอะไรกันพระพุทธเจ้าสอนให้สร้างบักน้อยสันโดษไม่คุกคีกันให้ปีกวิเวกอยู่คนเดียวหาที่สงบสงัด ให้เพียรปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเพื่อวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์และวิมุตติยานทัศนะเพื่อญาณอย่างรู้ว่าได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงแล้วนี่แหละคือลดแห่งธรรม เมื่อได้ถึงยานทัศนะวิมุตติยานาทัศนะก็จะรู้ว่าทุกข์ไม่มีอีกต่อไปในจิตในใจนี้ภพชาติที่เคยเวียนว่ายตายเกิดมานับจำนวนไม่ท้วนไม่มีวันที่จะปรากฏขึ้นมาอีกต่อไปเพราะผู้ที่สร้างภพสร้างชาตินี้ได้ถูกทำลายไปหมดสิ้นแล้ว ไม่มือเชื่อของภพของชาติหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจอีกต่อไปมีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์วิสุทธิธรรมนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาต้องการให้พวกเราได้รับจากพระพุทธเจ้าหรือจากตัวแทนของพระพุทธเจ้า คือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวกลองศึกษาประวัติของท่านเหล่านี้ดูดูว่าท่านกำลังทำเหมือนกับที่พวกเรากำลังทำกันอยู่หรือเปล่ากำลังเรียลายสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างฐานบริวัติุต่างๆหรือเปล่าหรือว่าท่านสร้างความมากน้อยสร้างความสันโดษ ท่านไม่คุกคีกับใครท่านเปลีวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาท่านเพียนท่านทำความเพียนหรือเปล่าท่านปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าท่านได้วิมุตติวิมุตติญาณทัศนะหรือเปล่านี่ต่างหาก คือเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาที่พวกเราเข้าหากันเหมือนกับเราไปร้านขายอาหารแต่แทนที่จะไปซื้ออาหารกลับไปซื้อตุ๊กตาซื้อของเล่นกันร่างกายมันก็หิวโซพรผอมสู้มีแต่ของเล่นของตุ๊กตาพวกเราเป็นเหมือนเด็ก พอเข้าร้านแทนที่จะไปซื้อของจำเป็นมาบริโภคเห็นตุ๊กตาเห็นขนมเห็นของเล่นนี่วิ่งเข้าหากันมันสนุกมันมันสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์มันมันทำบุญเลี้ยงพระเปิดโรงทานนี่มันมันมันสนุกมันมีแต่กินกันกินอิ่มน้ำสำรานกัน แต่มันเป็นรถของอาหารทางร่างกายไม่ใช่รถอาหารของธรรมกินปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดไปหายไปหมดไม่มีอะไรหลงเหลือติดอยู่ในใจอนอกจากความทุกข์ที่เกิดจากความขาดสิ่งต่างๆต้องคอยมาหามาเติมมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ ้องคายเติมหาลูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อที่จะได้เกิดความสุขชั่วประเดียวประดาวความสุขแบบควันไฟที่ต้องคอยเติมอยู่อย่างต่อเ น, นื่องจนถึงวันตายก็ยังต้องทำต่อยังต้องหาต่อยังต้องไปเกิดใหม่ ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาเติมลดของโลกลดของรูปเสียงกลิ่นลดต่อไปเรื่อยๆจึงพาให้เกิดมีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ขาดตอนพาให้เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดคือความแก่ความเจ็บความตาย ความพัดพลาคจากากนันการประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานี่แหละเป็นเพราะเราไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นพระพุทธศาสนามันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นพระพุทธศาสนาเนี่ยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราเข้าถึงองค์ใดองค์หนึ่งหรือยังเราเข้าตอนนี้ถ้าเราอยากจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเข้าไปหาคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกถ้าเราศึกษาคาสั่งคาสอนในพระไตรปิฎกเราจะ เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเราอยู่ที่ธรรมคาสอนธรรมะคาสอนคือเราถ้าอยากจะพบเราพบเราได้ที่ธรรมะคำสั่งคำสอนของเราหรือถ้าไม่เข้าถึงพระธรรมคาสอนก็ให้เข้าหาพระอริยสงสาวกผกู้เป็นผู้ที่ เรียนรู้จนได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐแล้วแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรานี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะเข้าหากันในเบื้องต้นเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ สอนให้พวกเราสร้างอะไรกันอสอนให้เราสร้างพระในใจกันสร้างโบสถ์ในใจสร้างเจดีย์ในใจสร้างวัดในใจวัดก็คือความสถานที่สงบนั่นเองอสถานที่สงบภายนอกก็สู้สถานที่สงบภายในไม่ได้ ความสงบภายในนี้เป็นความสงบที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่กว่าความสงบภายนอกแต่ก็ต้องอาศัยความสงบภายนอกเพื่อทำให้เกิดความสงบภายในขึ้นมาดังนั้นการที่เราจะไปหาที่สงบสงัดวิเวกได้เราก็ต้อง มีความมาักน้อยในปัจจัยสี่สันโดษในปัจจัยสี่ถ้าเรามักมากเราจะไปอยู่ในที่ธุรกันดารในที่ห่างไกลจากความเจริญไม่ได้นะครับถ้าเรายังมักมากอยู่กับปัจจัยสี่ปัจจัยสีย่ยังต้องหรู้รายังต้องมีราคาแพง ต้องถูกออกถูกใจอืันนี้จะทําให้เราไปปลีกวิเวกกันไม่ได้อืการที่เราคุกคีกันก็จะทําให้เราไปปลีกวิเวกกันไม่ได้อืพอคุกคีกันแล้วมันก็ติดพันกัน่ะไม่อยากจะจากกันคุกคีกันก็จะมีกิจกรรมทําร่วมกันอยู่เรื่อย เดี๋ยวคนนั้นก็ชวนไปงานวันเกิดคนนี้ก็ชวนไปงานแต่งงานคนนู้นก็ชวนไปเที่ยวคนนี้ก็ชวนไปช้อปปิง้งมีกิจกรรมอะไรให้เพลิดเพลินอยู่อย่างต่อเนื่องถ้ามีการคุกคีกันก็จะไม่สามารถที่จะปลีกวิเวกได้ พอติดแล้วมันไม่อยากจะไปไม่ใช่อะไรเพราะไปแล้วมันไม่มีอะไรให้ทำนะไปเปกไม่แวกอยู่คนเดียวมันก็เหงาสิมันก็ว้าเหวะถ้าไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมคือการภาวนานั่นเองถ้ายังภาวนาไม่เป็นนี่ไปเปกไม่แวกไม่ได้ พอยังติดอยู่กับการคลุกคลีกันยังติดอยู่กับงานสังคมต่างๆเดี๋ยวงานมันเกิดคนนั้นเดี๋ยวงานแต่งงานคนนี้งานครบรอบคนนั้นงานรับปริญญาของลูกคนนั้นคนนี้งานศพคนนั้นคนนี้มีสารพัดงานให้ยุ่งให้เกี่ยวข้องด้วยผู้ที่จะต้องการ สัมผัสกับรถแห่งธรรมนะถ้าไม่ได้ไปปีกเวเวกนี่จะไม่มีวันที่จะสามารถสัมผัสได้ยกเว้นผู้ที่เคยมีบารมีเก่ามาแล้วเช่นพระพุทธเจ้านี่ตอนสมัยเป็นเด็กนี่เคยอยู่ประทับอยู่ตามลำพังอยู่ใต้โคนไม้วันนั้นมี ขาราชบริพารต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นจึงปล่อยให้ทรงประทับอยู่ตามลาพังพออยู่ตามลาพังก็เหมือนได้ปลีกเว่เวกอยู่ในที่สงบอยู่ใต้โคนไม้จิตที่เคยสงบในอดีตชาติก็รวมเข้าสู่ความสงบทันทีเพราะไม่มีอะไรเดี๋ยวรั้งจิตให้เข้าไปข้างในนั่นเอง ไม่มีค้าราชบริพาลมาคอยให้เป็นเพื่อนมาคอยเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้มาชวนให้เล่นให้ทำอะไรต่างๆพอไม่มีอะไรให้ทำไม่มีอะไรดึงจิตให้ติดพันอยู่จิตมันที่เคยเข้าข้างในมันก็จะเข้าข้างในทันทีท่านบอกว่าตอนที่จิตเข้าข้างในนั้นมันมีความรู้สึกมหัศจรรย์ใจ มีความรู้สึกที่ไม่เคยประสบพบเห็นตั้งแต่ประสูติมาแต่ก็เป็นเพียงชั่วิะยะเวลาไม่นานเพราหลังจากนั้นก็ทรงถูกครอมร้องด้วยข้าราชบริพารมาคอยปรนิบัติรับใช้มาคอยเป็นเพื่อนกลัวจะเหงากลัวจะว้าเหวมีอะไรมาป้อนมาให้สัมผัส อยู่ตลอดเวลามีรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเดิมไม่ว่าจะเป็นของรับประทาน mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นต่างๆ mm hmm. หรือการบันเทิงต่างๆ mm hmm. จิตก็เลยไม่มีโอกาสที่จะติ๊วิเวกได้ mm hmm. จิตก็เลยไม่มีวันที่จะสงบได้น อนนี่คือทำไมพวกเราจึงไปปิดวิเวกกันไม่ได้เพราะพวกเราติดพันกับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะนี้ยังติดพันกับความสุขที่ได้จากคน ด, ด้านคนนี้ติดพันกับความสุขที่ได้จากการทํากิจกรรมอะไรต่างๆทางตาหูจมูกริ้นกาย พอให้อยู่คนเดียวนี่แทนที่จะสงบมันกับว้าเวซึมเศร้าหไอยเหงาเนี่เพราะว่าไม่มีบารมีเก่าไม่มีบุญเก่าสำหรับคนที่มีบุญเก่าพอไม่มีอะไรอ้อมล้อมทางตาหูจมูกลิ้นกายแทนที่จะรู้สึกเศร้าเรื่องเหงา กับรู้สึกมีความสุขอั น, นี้ต่างกันน้อยคนที่จะมีบารมีแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ชอบอยู่คนเดียวกลัวความเหงากลัวความว่าเหอนนต้องมีเพื่อนต้องมีอะไรมาให้ความสุข จึงไม่สามารถไปปริกวิเวกได้ <c oughs> ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงทำให้ไม่สามารถเจริญความมักน้อยสันโดษได้ความมักน้อยก็คือให้มีสิ่งต่างๆน้อยที่สุดให้มีเท่าที่จำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็นอย่าไปมีมันมีเพียงปัจจัยสี่ที่จำเป็น ต่อการดำรงชีพแล้วก็มีให้น้อยที่สุด อ, อย่ามีมาก ม, มีมากแล้วมันเป็นภาระมากต้องหามามากมต้องดูแลรักษามากมถ้ามีน้อยนี่ก็ไม่ต้องหามากหาน้อยอใช้น้อยกินน้อยอ ถ้าเราอยากจะดูความมากน้อยดูความมากน้อยของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั่นแหละแบบฉบับของผู้มากน้อยสันโดยคือพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านไม่มีอะไรมากมายเหมือนพวกเรามีกันท่านมีเท่าที่จำเป็นอาหารท่านก็มีแค่วันละมือ้อภาชนะในการขบฉันอาหารท่านก็ใช้บาตรใบเดียว แม้แต่ช้อนท่านก็ไปใช้ภากมรมฐานนี่ท่านฉันในบาทฉันด้วยมือท่านไม่ได้ไปจูจี้จุกจิกวุ่นวายกับเรื่องการขบฉันอาหารเปรียบเทียบกับพวกที่ไม่มากน้อยพวกบรรดาเศรษฐีมาหาเศรษฐีนี่เวลาจะกินอาหารแต่ละมือนี่ต้องมีโต๊ะมี ผ้าปูโตมีเก้าอ้งเก้าอี้มีถ้วยมีชามมีช้อนมีมีดมีซ่อมเราไม่ใช่มีอันเดียวช้อนอันหนึ่งสำหรับอาหารอย่างหนึ่งชาม อ, อีกอันหนึ่งสำหรับอาหารอีกอย่างหนึง่งอาหารขาวอย่างหนึ่งอาหารหวานอย่างหนึง่งต้องใช้ซ่อมต้องใช้มีด ต้องใช้อะไรร้อยแปดพันประการ เ, ออเต็มไปหมดเลยอาหารชุดหนึ่งนี่ไม่รู้จานกี่ใบไม่รู้ช้อนกี่ใบซ่อมกี่ใบกี่อันออแล้วเวลาจะรับประทานอาหารก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยออผูกเน็กทงเน็กไทยใส่เสื้อนอก <laughs> อเคยเห็นหั้มเคยเห็นพวกเศรษฐีกินอาหารออออ <laughs> นั่นแหละ เขาเลยต้องวุ่นวายกับการสรรหาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาถึงแม้เขาจะไม่ต้องทำกับข้าวเองไม่ต้องล้างถ้วยล้างชาเองไม่ต้องจัดโต๊ะจัดอะไรเองเขาก็ต้องหาเงินมาจ้างคนมาทำแทนเขานะชีวิตเขาก็เลยวุ่นวายอยู่การหาเงินเพื่อที่มาตอบสนองความมากๆของเขา การอยู่แบบมากๆของเขาบ้านก็ต้องมีหลายห้องบ้านต้องเป็นปราสาทเป็นคานฮาดมีห้องนั่งเล่นมีห้องอาบน้ำมีห้องนอนมีห้องแต่งตัวมีห้องเก็บเสื้อผ้ามีสารพัดห้อง น, นี่คือตัวอย่างของความมากๆพระพุทธเจ้าท่านเคยพบ ท่านเคยมีมาก่อนแล้วท่านเห็นความวุ่นวายจากการมีสิ่งเหล่านี้มันเป็นขุประศักดีขวางในการที่จะพาไปสู่การปีกวิเวกนั่นเองถ้ามีความมากๆต้องมีสิ่งต่างๆมากมายจะไปปีกวิเวกได้อย่างไรจะไปคนเดียวแ บ, บกกดไปปากกดอยู่ตามโคนไม้ ไปอยู่ตามที่สงบได้อย่างไรไปไม่ได้ถ้าไปก็ต้องยกขบวนไปกันวะถ้ายกขบวนไปมันก็ไม่สงบเอกมันก็ไม่วิเวกเองมันต้องมักน้อยกินน้อยน้อยอยู่ง่ายๆ่กินง่ายอยู่ง่ายเรียกว่ามักน้อยสันโดษสันโดษยินดีตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าจะได้น้อยกว่า ความจาเป็นก็ยินดีไปแทนที่จะได้แทนที่ได้กินข้าวชามหนึ่งได้แค่ครึ่งจานก็โอเคก็ดีกว่าไม่ได้กินหรือบางวันอดไม่ได้กินก็ถือว่าเป็นอุบายในการที่จะได้ใช้ในการบาเพ็ญความเพียรเพราะเวลาอดอาหารแล้วมันกลับทำให้ขยันทำให้ไม่ง่วงนอนเวลา ฝึกสมาธิเจ็ดก้ามไม่มีนิวรณคือความง่วงเหงาเหานอนอ่นี่คือสิ่งที่ผู้ต้องการที่จะสัมผัสลดแห่งธรรมนี่ต้องมีคือความมากน้อยเราจึงต้องมีการศึกษามีตัวอย่างให้เราได้เห็นนะก็คือเนี่ยศึกษา จากพระพุทธเจ้าศึกษาจากพระอริยสงสาวกดูวิธีการดำเนินชีวิตของท่านท่านดำเนินอย่างไรท่านดำเนินด้วยทุดงขวัตใช้การหาอาหารก็ใช้เป็นอุบายของการทำความเพียรใช้เป็นอุบายของความสันโดษมากน้อยเพราะเวลาบินทบาทนี้ ไม่รู้ว่าจะได้อะไรมาใครจะใส่อาหารชนิดไหนมาก็ยินดีเรียกว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดจะได้มากได้น้อยก็ยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็เวลาฉันก็ฉันพอประมาณไม่ฉันตามความความอยากฉันเพื่อให้ ร่างกายอยู่ได้ก็พอแต่ไม่ฉันให้มากจนเกิดนิวรนคือความว่วงเหงาเหานอนขึ้นมานี่นี่คือปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายลองไปอ่านหนังสือปฏิปทาพระทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเนี่ยที่เขียนโดยหลวงตามหาบัว ท่านจะเขียนเรื่องความมากน้อยสันโดษของพระอริยสงสาวกทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้พระธาตุของท่าน <c oughs> เรารู้รึเปล่าว่าการที่ท่านได้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาเนี้ยท่านกลายขึ้นมาอย่างไรเนี <c> ่ย <oughs> ท่านกลายเพราะท่านอยู่แบบมรกคมากอยู่แบบจุจจจ้จี้จุกจิกเหมือนพวกเราหรือเปล่ปา <c oughs> ท่านอยู่แบบมากน้อยสันโดษท่านคลุกขีเหมือนพวกเราคลุกขีกันหรือเปล่ามีเพื่อนฝูงเยอะแยะไปหมดยิ่งมีเพื่อนฝูงมากยิ่งถือว่าเป็นคนเก่งคนน่ารักมีคนรักคนชอบมีหน้ามีตาแต่พระปฏิบัตินี้ท่านกลับเห็นเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติ ท่านเห็นว่าการเป็นคนได้ญาติสนิดได้ญาติมิตรนี่แหละเป็นการที่ดีไม่มีใครเขาเหลยวแลเราไม่มีใครเขาสนใจที่จะมาคบค้าสมาคมกับเราอันนั้นดีเพราะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการไปทํากิจกรรมกับเขา ถ้าเขามาชวนแนละ้วเราไม่ไปเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจให้เราใจดำใจจืดหรือเปล่าไม่มีไมตรีจิตหรือเปล่าแต่ความจริงมันเป็นความคิดของกิเลสมากกว่ากิเลสมันอยากจะไปพอไม่ได้ไปพอต้องทาตามคำสอนก็เลยคิดไปในทางที่จะทำให้เราเ รู้สึกว่าเราทำผิดเนี่ยจะได้ทำจะได้ไปกับเขาจะได้รู้สึกว่าเราทำไม่ผิดเนีการไม่ไปกับเขาเนี่ยถูกแล้วตามหลักธรรมการปฏิเสธงานต่างๆงานสังคมต่างๆนี้เป็นการกระทำถูกต้องตามแนวของพระพุทธเจ้าแล้วใครส่งบัตรเชิญมาใครชวนให้ไปงานนู่นงานนี้ การปฏิเสธของเรานี่แหละเป็นการธรรมที่ถูกต้องเราเพราะเป็นการไม่คุกคีกันนั่นเองถ้ารับเชิญก็ต้องไปคุกคีกันไปงานคนนี้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเห็นเนาะมางานนี้เดี๋ยวต้องไปงานของฉันบ้างก็ชวนไปอีกเนี่ยทำไมเราจึงไม่รับกิจนิมนต์ถ้ารับกิจคนนี้แล้วเดี๋ยวคนนั่นก็ต้องเอาตัวอย่างละ พอรับกิจคนนี้ไม่รับกิจคนนั้นก็หาว่าเลือกที่รักมากที่ชังแล้วก็เลยต้องไม่รับมันหมดเลยใครอยากจะนิมนต์ก็มานิมนต์มาอยู่ที่นี่อยากจะเจอกันอยากจะทำกิจกรรมร่วมกันอยากจะมาทำบุญก็มาทำที่นี่ที่เดียวจะสะดวกไม่อย่างนั้นจะต้องวุ่นไปกับการรับกิจนิมนต์ ไปบ้านนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปบ้านนู้นเพราะมันมีคนมีงานทุกบ้านเดี๋ยววันเกิดคนนั้นเดี๋ยววันเกิดคนนี้เดี๋ยวคนนั้นแต่งงานค น, คนนี้แต่งงานเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายถ้าลองรับแล้วมันต้องไปหมดทุกงานถ้าไม่ไปก็หาว่าไม่เมตตาหาว่าเลือกที่รักมากที่ชเอง นี่คือถ้าไม่ใจไม่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยตัดการคุกขีได้ยากเนี่ยถ้าตัดไม่ได้มันก็จะไม่มีเวลาที่จะไปปลีกเวเวกไปอยู่ตามลำพังเพื่อไปบำเพ็ญความเพียรได้นั่นเองเนะจึงต้องใจเด็ดเดียวถ้าเราอยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกับรถทั้งปวงเนี่ย เราต้องตัดมันหมดดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านตัดบทท่านถึงไปบวชได้บวชแล้วท่านก็ไม่คุกคีกับพระสงฆ์ร่วมกันอยู่ร่วมกันเพื่อศึกษาพอรู้แนวทางของการปฏิบัติก็ไปเปีกวิเวกกันไปหาที่บำเพ็ญ อยู่คนเดียวภารกิจการงานต่างๆมันไม่มีมากถ้าอยู่ร่วมกันอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็มีคนมาเกี่ยวข้องเยอะญาติโยมมาศึกษามาขอบุญขอทมก็ต้องมีการดูแลจัดการต้อนรับญาติโยมจัดการสถานที่เตรียมงานเตรียมอะไรต่างๆ ถ้ายังอยู่ในขั้นของการปฏิบัติถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์นานเกินไปหรือมากเกินไปเดี๋ยวก็ติดกับภารกิจต่างๆบางทีอยู่แล้วบางทีก็ต้องขออนุญาตไปปีกวีเวกเป็นพักๆเพราะถ้าอยู่แล้วมันมีภารกิจที่จะต้องทำประจำ เ, เช่นพาาระอนนท์นี่ รับภารกิจเป็นพระอุปัฏฐาพระพุทธเจ้าก็ต้องทำหน้าที่ดูแลพระพุทธเจ้าเตรียมบาเตรียมจีวรทำความสะอาดที่ประทับแล้วก็ต้องคอยรับแขกรับคนก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ก็มีภารกิจเป็นเหมือนเลขาของประธานบริษัทนี่ คนไข้จะเข้าหาประธานได้ก็ต้องผ่านเลขาก่อนเลขาก็ต้องจดบันทึกวันนี้จะมาวันนั้นเวลานี้อต้องไปสอบถามประธานว่าสะดวกไม่สะดวกอแล้วถึงต้องไปตอบรับเขาว่าสะดวกหรือไม่สะดวกเนี่ยพานอนติดภาร ก, กิจเหล่านี้จึงทําให้ท่านไม่เจ้าหน้าจเจริญนุ่งเ ร, องเรืองในการปฏิบัติธรรม เป็นพระโสดาบันมาไม่รู้กี่ปีติดอยู่ตรงนั้นน่ะแต่พอพระพุทธเจ้าตายไปเท่านั้นน่ะพระพุทธเจ้าบอกอานอน์เดี๋ยวเธออีกสามเดือนเธอก็บรรลุทำได้พอไม่มีงานที่จะต้องดูแลรับใช้พระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ก็ไปเปีกวิเวกได้ไปบาเพ็ญอยู่คนเดียว และบรรลุทำขั้นสูงสุดได้ภายในระยะเวลาสามเดือนนี่แหละปัญหาอุปสรรคของการคุกกีกันมันจะเป็นตัวที่จะเหนี่ยวรังให้เราไม่ไปเจริญก้าวหน้าในธรรมกันอย่างถ้าเราปรารถนาวิมุติวิมุติญาณทัศนะเนี่ยเราต้องใจเด็ดเดียว ใครคิดว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายจากกันอยู่ดีคุกคีกันทำไมคุกคีกันแล้วเหมือนกอดกันแล้วก็จมน้ำตายสู้แยกกันว่ายน้ำไม่ดีกว่าเลยจะได้ไปถึงฝั่งได้ถ้าัมแต่มากอดกันพยุมันก็เดี๋ยวก็หมดแรงมันก็จมน้ำตายกันสู้ต่างคนต่างแยกกันต่างคนต่างว่ายไปกันดีกว่า คนไหนไ่ว้ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้คนไหนไม่ไหว้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าไม่อยากไปก็เรื่องของเขาเราอยากไปเราก็ต้องไปเราจะเอาทั้งครอบครัวไปกับเราไม่ได้หรอกเอาสามีเอาภรรยาเอาบุตรเอาธิดาไปกับเราไม่ได้ก็ดูพระพุทธเจ้าท่านเอาลูกไปด้วยหรือเปล่าท่านเอาภรรยาไปด้วยหรือเปล่าตอนที่ท่านไปปีกวิเวคคนเดียว แต่หลังจากที่ท่านไปถึงฝั่งแล้วเนี่ยท่านกลับมาช่วยคนที่ไปไปไม่ถึงได้ทีนี้ท่านพาเขาไหว้ได้พอตัดสั้แล้วทีนี้ก็มารับลูกไปบวชพระราชบิดาหรือพระพุทธมารดาไม่ทราบหรือมาเหสี ง, งพระเจ้าหรือเปล่าที่บอกว่าให้พระราหุลไปรับมรดกจากพระพุทธเจ้า พอไปขอมรดกท่านก็เลยจับบวชเป็นเนนเลยมรดกของเราก็คือวิมุตติญาณทัศนะจะได้มรดกก็ต้องไปบวชบวชตั้งแต่อายุหกเจ็ดขวบมาราหุนแล้วก็ได้มีพระพุทธเจ้ามีพระสาริบุตรพระอัครสาวกเป็นพี่เลี้ยงคอยสั่งคอยสอน จำในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอาลานขึ้นมาถ้าเอาไปด้วยตอนที่เสด็จออกจากพระราชวังเดี๋ยวก็จมน้ำตายด้วยกันทั้งคู่ต้องคอยดูแลช่วยเขาช่วยเราตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดแล้วยังต้องไปห่วงช่วยคนอื่นอยู่อีกเดี๋ยวมันก็จมน้ำตายด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นเวลาที่เราต้องไปหาวิมุตติธรรมนี่ เราต้องเด็ดเดี่ยวเราต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดถ้าเราไม่ตัดไม่มีวันไปได้มันจะต้องติดคนนั้นติดคนนี้ติดภาระนั้นติดภาระนี้ถ้าติดแล้วก็ไม่มีวัน น, ะน่าเสียดายเพราะเดี๋ยวก็ต้องตายไปละอยู่ไปตายแล้วพอใกล้ตายแล้ ว, อ า, ลวอาจจะมาสำนึกได้ว่าโอ้นี่เรา ผิดพลาดเนี่ยเราไม่ยอมเลิกคลุกคีกันเรายังห่วงคนนั้นยังรักคนนี้ยังอยากจะช่วยคนนั้นอยากจะช่วยคนนี้อยู่อยากจะเอาใจคนนั้นเอาใจคนนี้ถ้าลองคิดอย่างนี้แล้วก็ปิดประตูไปนี้ผ่านได้ปิดประตูไปสู่วิมุตติญาณทัศนนะได้เพราะมันจะไปไม่ได้ มันก็จะคอยคอยเอาอกเอาใจคนนั้นคนนี้คนนั้นขอร้องให้ทำอย่างนั้นคนนี้ขอร้องให้ทำอย่างนี้ก็ต้องทำต้องเอาใจเขาพอไม่ทำเขาก็น้อยใจเขาก็เสียใจหรือเขาก็โกรธเราถ้าเรายังคุกคีกันอยู่มันจะต้องเจอปัญหาเหล่านี้เราต้องคิดว่าเราตายจากเขาไปเนี่ยดีที่สุด คีอว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายจากกันตายจากกันตอนเป็นดีกว่าจากกันตอนตายจากการตอนตายทำประโยชน์ไม่ได้จากการตอนเป็นนี้ทำประโยชน์ได้คิดว่าเราตายจากเขาไปก็แล้วกันสมมุติว่าเราเดินข้ามถนนถูกรถชนตายไปแล้วก็ไปหลบหนีไปอยู่ห่างไกลจากเขาเลย เพราะเวลาเราตายเขาก็ไม่เก็บเราไว้ในบ้านเขาใช่ไหมหมตายจริงๆก็ว่าส่งไปวัดอยู่ดีเราก็ไปหนีไปอยู่วัดเลยก็หมดเนืองคิดคิดเสียว่าเราถูกรถชนตายแล้วยานข้ามถนนถูกรถชนตายปอดแตกถึงไม่รู้ว่าเราเป็นใครไม่มีญาติสพไม่มีญาติก็ส่งไปที่วัดไปเลยเราคิดอย่างนี้ เสรียมกระเป๋าไปเดียวเตรียมเสื้อผ้าทั้งชุดสองชุดแล้วก็หนีไปอยู่วัดไกลๆไปอยู่วัดที่ไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเย<อ>เพื่อจะได้ไม่มีใครมาตามมายุ่งกับเราเสมัยรับวชเนี่ยไม่ได้บอกใครเพื่อนฝูงญาติสนิทนิสหายไม่บอกรู้แต่เฉพาะคนที่ต้องรู้เท่านั้นเองเพราะว่าต้องพาพ่อแม่มาขออนุญาตถ้าไม่ต้องพาพ่อแม่มาพ่อแม่อาจจะไม่รู้เสียได้ซ้ําไป อาจริงๆพอเรารู้มันเป็นปัญหาทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดจะบวชกันนะคนในโลกนี้คิดแต่จะหาทรัพย์หาสมบัติหาความร่ํารวยกันไม่มีใครคิดว่าจะไปบวชกันฮคนที่ไปบวชนี่เขาคิดว่าบ้ากันทั้งนั้นเนี่ยคือบวชบวชจริงๆอ่ะเขาหาว่าบ้าแต่ถ้าบวชเล่นๆเขาว่าดีะถ้าบวชหน้าไฟนี่ก็สาธุบวชเช้าสุดเย็น เรือบวชเพื่อเกาะชายผ้าเหลืองบวชสามเดือนนี่ดีสาธุแต่พอบวชไม่สึกนี่โอหน้าเบึ้งตึงกันขึ้นมาทันทีนะพ่อแม่เวลาลูกบวชสามเดือนดีอกดีใจแต่พอรู้ว่าลูกจะบวชไม่สรกนี้หน้าตาซึมเศร้าขึ้นมาทันทีนี่แหละการคุกคีกันมันจะทำให้ตัดกันยาก ไปปีกวิเวกไม่ได้ไปหาวัดไปอยู่วัดไม่ได้ไปหาที่สงบสงัดคำว่าวัดก็คือที่สงบสงัดที่วิเวกวัดสมัยก่อนนี้เป็นป่าเป็นเขาทั้งนั้นอ่ะไม่ได้เป็นบ้านเป็นเมืองอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้วัดของพระพุทธเจ้าเห็นไหมโคนต้นโพนี่นั่นแะคือวัดของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือตามป่าตามอะไรต่าง ปาอิสิติปณะอะไรเนี่ยปะตะนะเนี่ยก็แสดงทำให้กับพระปัญจวัคคีเนี่ยนี่นหละคือวัดของศาสนาพุทธจึงไม่จำเป็นจะต้องสร้างวัดก็ได้ไวัดศาสนาพุทธนี้มีเต็มไปหมดมีตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าเลยไม่เคยขวนขวายในเรื่องของการสร้างวัดท่านขวนขวายในยการสร้างพระสร้างพระอริยบุคคลวัดมีอยู่แล้วเนี่ย เวลาบวชท่านก็บอกลุกขมูลเส้นาสนังไปอยู่ตามโคนไม้ ก, กันนะไปอยู่ในป่าในเขาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเงื่อมผ้ากันนั่นแหละคือวัดของพระพุทธศาสนาไม่ต้องมีถาวราวัตถุอะไรต่างๆขอให้มีที่หลบแดดหลบฝนได้ไม่มีอะไรมารบกวนใจเท่านั้นเองต้องการที่จะ สกัดนิวรณ์คือกามาฉันทะความยินดีในแสงสีเสียงถ้าอยู่ใกล้แล้วใจมันสั่นนะพอได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงเพลงเสียงอะไรนี่ใจมันที่จะสงบนี้มันเริ่มไม่สงบขึ้นมาทันทีมันเริ่มเกิดตันหาความอยากขึ้นมาทันทีเพียงจำเป็นที่จะต้อง ไปอยู่หา่างไกลจากที่ที่มีแสงสีเสียงต่างๆเพื่อจะได้ไม่มามาสร้างนิวร์คือความวุ่นวายใจความอยากนี้จะทำให้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้ถ้าไม่กำจัดนิวรก่อนนี้ยายจะไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบนี้ทำไม่ได้ พใจมันจะคิดแต่ถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคิดแล้วก็เกิดตันหาความอยากคิดถึงอาหารก็น้ำลายไหลหิวขึ้นมาทันทีคิดถึงเครื่องดื่มก็คอแห้งขึ้นมาทันทีคิดถึงภาพคิดถึงเสียงก็อยากดูอยากฟังขึ้นมาทันทีนี่คือต้องไปที่เปรีคเวกที่ไม่มีห่างที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรส แต่ทุกวันนี้ขนาดไปปีกเวิเวก็ยังเอาตัวแทนของรูปเสียงกิ่นรถติดไปกับมือด้วยนะตัวแทนของรูปเสียงกิ่นรถคืออะไรก็คือมือถือนี่นะเดี๋ยวก็อดปิดไม่ได้อยากจะดูว่าคนนั้นทำอะไรกำลังทำอะไรอยู่กำลังกินอะไรอยู่กำลังไปเที่ยวที่ไหนถ้าไปปีกเว่จริงๆต้องอย่าเอาไปนะตัดไปให้หมดมือถงมือถือ ก็เมื่อคิดว่าเราตายแล้วมันจะต้องไปติดต่อกับใครใช่ไหมคนที่จะไปปลี้ยเว้ได้จริงๆนี้ต้องคิดว่าตัวเองตายแล้วประสบอุบัติเหตุรถคว่ำหรือโดนรถชนตายแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่มีบัตรประชาชนติดอยู่ในตัวไม่สามารถติดต่อบอกญาติพี่น้องได้ก็ถือว่าเป็นศพไรญาติไปาตายแบบตั้นตายแบบไม่อไม่ ไม่ไม่มีใครรู้ว่าเราตายไม่รู้ว่าเราหายไปไหนหายสาบศูนไปแล้วจะได้ไม่มีใครไปติดตามไปหาเราไปดึงเรากลับมาไปแบบนั้นแล้วก็จะได้สบายไม่มีใครมาคอยรบกวนใจแต่ถ้าไปแบบเอามือถือไปด้วยเดี๋ยวก็อดที่จะติดต่อกันไม่ได้เดี๋ยวคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อ้โทรไปหาเขาหน่อย โทรแล้วเดี๋ยวคุยกันขึ้นมาเดี๋ยวก็ผูกพันกันขึ้นมาอีกอเดี๋ยวก็เรียกกลับไปจนได้แม่ไม่สบายบ้างพ่อไม่สบายบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดามีใครไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สบายเกิดมาทุกคนก็ต้องไม่สบายกันทั้งนั้นใช่ไหมเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไปหาหมอสิไปหาเราทาไมเราไม่ได้เป็นหมอสโนว์เราไปแล้วเราไปรักษาคนได้หรือเปล่า มันก็รักษาก็ไม่ได้อยู่ดีลองใช้คิดด้วยเหตุด้วยผลดไปทำไมไปเพราะกิเลสเราอยากไปหนึ่งไปเพราะสังคมเขาถือว่าต้องไปถ้าไม่ไปแล้วหาว่าไม่กระตันอยู่บ้างไม่เหลียวแล บ, บ้างดังนั้นอย่าไปรับรู้อะไรดีที่สุดพอรับรู้แล้วเดี๋ยวเกิดได้ยินข่าวพ่อไม่สบายแม่ไม่สบายมีเรื่องมีราว เราเลยคิดเราต้องเป็นซุเปอร์แมนขึ então, ้นมานะเดี <tr> <tr> réussi, ๋ยวต้องไปช่วยดูแลจัดการก็เลยไม่ได้ภาวนาอย่างนี้ต้องปิดมาปรรมนให้หมดสิ่งที่จะมาฉุดมาดึงเราให้ออกจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อวิมุติวิมุติยานะทัศนะเนี่ยต้องไปปเปกเวกแบบจริงๆใบแบบพระพุทธเจ้าเห็นไหม ไปในยามดึกเลยเคย่อยก่อนจะไปเคยเขียนติดไป้ายไว้ทั่วลาช่วทั่ววังก็เปล่าวั น, นวันนี้เวลาเทานี้เราจะออกจากวังไปมีใครมาส่งเสด็จหรือเปล่าโอ้ท่านไม่ต้องกา ร, รอของพวกนี้ของพวกนี้มันไม่มีสาระประโยชน์ต่อจิตใจ มันมีส า, าระประโยชน์กับกิเลสความหลงเวลามีใครเขามารับประสงค์เราเยอะๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนสาคัญขึ้นมาเป็นคนที่มีคนรักคนชอบเราขึ้นมาแต่ความจริงนี้มันเป็นกิเลสทั้งนั้นอนะ่ะมันเป็นอุปสรรคคนที่ไม่มีกิเลสนี่เขาไม่ยินดีกับไอ้เรื่องลาบยศสรรเสริญหรอกเขารู้ว่ามันเป็นของปลอมเป็นความทุกข์ เป็นหลุมพรางของความทุกข์มันเป็นความสุขที่จะหลอกให้คนไม่ฉลาดนี้ไปติดกับของความทุกข์นะพอเมื่อมีลาบยศสรรเสริญแล้วเดี๋ยวมันก็มีเสื่อมลาบเสื่อมยศนะจากสรรเสริญก็มีนินทาเข้ามานะพอไปสัมผัสกับความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญสุขทีนี้ก็ทุกข์ขึ้นมานะคนฉลาดเขาไม่เข้าไปติดกับของ ของราบยศเสริญสุกเนี่ยเขาพยายามถอยห่างไม่เข้าใกล้เนี่ยท่านไปท่านจึงไม่ประกาศบอกใคร ว, ว่าจะไปออกบวชในวันนี้ไม่เหมือนสมัยนี้มาแจกก็้าเชิญกันเลย <c oughs> เชิญญาตพี่น้องทั้งหลายมาร่วมงานบวชกันแต่ตอนนี้เขาบวชแบบเล่นๆทำไมจะบวชจริงๆบวชเดือนหนึ่งบางทีไม่ถึงเดี๋ยวมนี้สิบห้าวันก็มี บวชสิบห้าวันแต่ทำบัตรเชิญแจกเป็นร้อยเป็นพันจัดงานสามวันเจ็ดวันพอไปบวชจริงๆแค่สิบห้าวันก็สึกอันนี้ไม่ใช่บวชจริงแลกว บ, บวชเล่นเนี่ยคนที่เขาบวชจริงเขาใบเ ป, ปกเว่ยๆจริงๆเขาไปหาที่สงบจริงๆเขาไม่ต้องการให้ใครรู้ไม่ต้องการให้ใครไปติดตามเนี่ยถ้ามีคนรู้ว่าพระท้าเจ้าไปในเดี๋ยวพระเจ้า พระเช้าอยู่หัวส่งกองทัพตามไปหาไปค้นหาเลยทนะี่ไปแบบไม่รู้ไปแบบไรไปแบบหายสาบสูญไปเลยไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนนี่แหละคือการปีกไม่เวกที่แท้จริงนะต้องตัดการคลุกขีกันให้ได้วิธีการตัดก็ให้คิดว่าเราตายจากเขากแล้วกัน ตายแบบศพร้ญาติตามแบบตายแบบไม่มีใครรู้มาก่อนว่าจะตายหายไปเฉยๆอย่างนั้นหายไปแบบเงียบไปเลยตามหาที่ไหนก็ไม่เจอไม่ติดต่อไม่มีมือถือไม่มีอะไรไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นอันนี้แหละจะได้มีเวลาเจริญความเพียรได้อย่างเต็มที่จเจริญเพียรสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาได้อย่างเต็มที่ พอได้ศีลสมาธิปัญญาแล้วเดี๋ยววิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะก็ปรากฏขึ้นมาลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาก็คือนัตติสันติปรังสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนะเกิดจากการที่เราต้องเด็ดเดี่ยวก้าหารก้าตัดความผูกพันกับคนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเราต้องคิดว่าเราตายจากเขาไปแล้วท่านั้นถึงจะไปได้อย่างจริงจังถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาคอยลบกวนเดี๋ยวก็มาหามาเยี่ยมแล้วก็มาเล่าเรื่องปัญหาต่างๆให้ฟังพอฟังแล้วก็อดวิตกกังวลห่วงใ ย, ยขึ้นมาไม่ได้อดคิดว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเราทิ้งเขาไปหรือเปล่า ไม่มองสัจธรรมความจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องมีปัญหากันทั้งนั้นมีความแก่มีความเจ็บมีความตายกันทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวของใครมันเป็นเรื่องความจริงของชีวิตที่ทุกคนจะต้องเจอกันจะอยู่ใกล้กันหรืออยู่ห่างกันมันก็ต้องเจอกันแล้วในที่สุดปัญหามันก็จะหมดไปเองเมื่อถึงเวลาตายไม่ต้องไปแก้มันให้เหน็ดให้เหนื่อย อาจอยู่กับมันให้ได้ก็พอแล้วอาจอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเดี๋ยวถึงเวลามันก็หมดไปเองเดี๋ยวเวลาร่างกายตายปัญหาต่างๆที่มีอยู่มันก็หมดไปของมันเองแต่ปัญหาของพวกเราคืออยู่กับมันไม่ได้เวลามีปัญหาชอบแก้กันเหลือเกินยิ่งแก้ก็ยิ่งเหมือนยิ่งมัดยิ่งสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก สู้อยู่เฉยๆกับมันดีกว่าอยู่กับมันไปมันเจ็บก็อยู่กับมันไปมันจะตายก็อยู่กับมันไปอืเดี๋ยวพอมันตายว่ามันปัญหาต่างๆมันก็หมดไปเองไม่ต้องไปแก้ให้เหน็ดให้เหนื่อยโอยไม่งั้นต้องรักษาหาหมอนั้นหาหมอนี้หาผู้ชํานาญทางนั้นชํานาญทางนี้แล้วมันยังไงเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมมีใครไม่ตายบ้างอันั้นแหละคือเรื่องของธรรมนะถ้าต้องการหลุดพ้นจะต้อง มีปัญญามีความเข้าใจความความจริงพื้นฐานของชีวิตคือชีวิตของพวกเราเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายจากกันไปแม้ว่าเราจะทำอะไรดีขนาดไหนมันก็ไม่พ้นจากความจริงอันนี้ทำหรือไม่ทำสรุปแล้วก็คือเท่ากันทำแล้วเหนื่อยไม่ทำแล้วไม่เหนื่อยเอาอย่างไงดีกว่าอ่า น, นี่คือเรื่องของธรรมทีพ่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเรา ได้พบได้เห็นได้สัมผัสกันกานที่จะพบทมอันเลิศที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้พบได้เห็นเราก็ต้องมีธรรมที่จะเป็นเครื่องมือพาเราไปเราก็ต้องมีความมักน้อยสันโดษไม่คลุกคีกันไปเปีกวิเวกไปทำความเพียรเพียรสร้างสมาธิสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญา เพื่อให้เกิดวิมุติและมุมุติญาณทัศนะขึ้นมานี่แหละคือเรื่องของศาสนาพุทธเรื่องที่พระพุทธเจ้าต้องการมอบให้กับพวกเราแต่พวกเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ทราบแต่วันนี้อย่างน้อยก็ได้รู้แล้วถ้านำเอาไปปฏิบัติรับรองได้ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้คองเรือน ถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำได้รับรองได้ว่าจะต้องได้ผลเหมือนกันทุกคนก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวารวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปการปติ ยิชิตังปฏทิต um ังตุมหังคิปะเมวาสมมิตาโตสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาหราโสยธามณิโชติ so ภราสยทาสพิตโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวโตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภพิวาทานาสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาังต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถาม ใ, ใครมีคำถามอะไร อยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วก็จะไม่มีการถามต่อถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ตัวเลข น, นะคะจาก Facebook 403ย t u b บ72วิทยออนไลน์27ผู้รับฟังบนนี้55รวม557ท่านค่ะใช่ค่ะ มีคำถามไหมมีคำถามก็ถามไปคำถามจากคุณแบงค์ตอนที่ผมตอนที่ผมเป็นเด็กถ้าญาติผมเคยยืมเงินพระมาเป็นสิบกว่าปีแล้วแต่ญาติผมเขาได้เสียชีวิตลงแล้วเงินที่ได้ยืมมานํามาจุนเจือครอบครัวผมอาจจะได้ใช้เงินทองนั้นทางอ้อมด้วยตอนนี้ยังไม่ได้ใช้หนี้แบบนี้กระผมมีส่วนบาปไหมครับไม่มีหรอกถ้าเราไม่ได้เป็นคนยืมนะ คนยืมนะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบที่จะต้องคืนเงินถ้าไม่คืนก็ถือว่าผิดสัญญา คำถามจากคุณนงนุษย์ขณะเดินจงกรมจะเกิดเหมือนแสงสว่างขึ้นขาที่เดินจะเบาเหมือนไม่แตะพื้นทําให้เซเมื่อก้าวขาเดินจะทําให้หลุดจากสภาวะดังกล่าวสภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นสองครั้งในการเดินจงกรมสองชั่วโมงอยากทราบว่าสภาวะนั้นเป็นการเผลอสติหรือไม่เจ้าคะถ้ามันควบคุมการเดินไม่ได้มันก็แสดงว่าไม่มีสตินะ ถ้าจิตสงบจริงๆมันมีสติมันก็ยังเดินได้ตามปกติทางร่างกายมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางจิตใจจิตใจสงบถ้ามีสติจิตใจก็ยังสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายได้ตามปกติถ้าควบคุมไม่ได้ก็ขาดสติ คำถามจะคุณเบญจวรรณถ้าเราติดนิสัยอยากแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายเคยทํามาแล้วหลายครั้งกลัวว่าจะมีสักวันที่ทําสําเร็จเราควรจะกําจัดความคิดนี้อย่างไรดีคะก็บอกว่าไม่ฆ่าตัวตายมันบอกจะฆ่าตัวตายก็บอกไม่ฆ่าตัวตายมันมันสั่งเราได้แล้วก็ฝืนมันได้เนี่ยมันอยู่ที่เราที่เราจะไปทําตามมันหรือไม่ ความคิดมันไม่สามารถถ้าเราไม่เชื่อมันมันก็ไม่ทำอะไรเราไม่ได้อยู่ที่เราจะเชื่อมันหรือเปล่าคำถามจากคุณจลัดลักไปปฏิบัติธรรมที่หนึ่งให้เจริญเมตตามากๆและให้ฟังเพลงธรรมะกล่อมจิตใจอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกไหมคะก็าถามก็ดูเลยไปที่เขามาถามที่เราได้ไงเราไม่อยากจะวิพากวิจารเรื่องของคนอื่นนะ ถูกไม่ถูกก็เรื่องของเขาทางเราไม่ได้ทำกันแล้วกันที่นี่ไม่มีเพลงให้ให้ฟังเพื่อทำใจให้สงบนี่นี่มีแต่เสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติคำถามจากคุณมิกกี้หากเรากลัววิ ญ, ญญาณควรทำอย่างไรครับก็ <c oughs> อบอกว่าเราก็เป็นวิญ ญ, ญาณไม่ใช่เลยทำไมเราไม่กลัวเรา <c oughs> เราไม่ใช่เป็นร่างกายรู้รปะ เราก็เป็นดวงวิญญาณเดี๋ยวร่างกายตายไปเราก็เป็นดวงวิญญาณแล้วเราไปกลัวตัวเราทำไมดวงวิญญาณก็ดวงเราก็เป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณไปกลัวดวงวิญญาณทำไมก็แสดงว่าบ้าเท่านั้นเลยหรืองโง่ไม่สองอย่างไม่บ้าก็งโง่โง่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรตัวเองคิดว่าฉันเป็นนางงามเป็นนายแบบะ เป็นนู่นเป็นนี่ไอ้นี่เป็นความบ้าความหลงงนั้นเนี่มันไม่ใช่เป็นความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นกันสิ่งที่เราเป็นเรากลับไม่รู้กันสิ่งที่เราเป็นกันก็คือเราเป็นวิญญาณพอตอนที่มีร่างกายเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นจิตใจนั่นเอง พอเวลาไม่มีร่างกายเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณแล้วก็ไปกลัวดวงวิญญาณของดวงวิญญาณของคนอื่นแต่เวลาที่เขามีร่างกายกับไม่กลัวดวงวิญญาณเขาตาเนี่ยน่ากลัวกว่าตอนที่เขามีร่างกายเพราะเข้าฆ่าเราได้แต่ตาเขามเป็นแต่ดวงวิญญาณเขาไม่มีอะไรจะมาฆ่าเรานะแล้วถ้าเราเป็นดวงวิญญาณไม่มีร่างกายเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้ไม่เห็นจะไปกลัวอะไรดวงวิญญาณไม่น่ากลัว น่ากลัวคือร่างกายของดวงวิญญาณมากกว่าเดี๋ยวเกิดดวงวิญญาณโกรธเราเกลียดเรามันก็เอามีดสังให้ร่างกายเอามีดมาทิ่มแทงร่างกายเราได้แต่ถ้าเราคิดว่าร่างกายไม่ใช่เราก็มันก็ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวอกีกแล้ร่างกายมันก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวร่างกายมันก็ตายไ ป, ไปอยู่ดีไม่ว่าจะถูกใครเขาฆ่าหรือไม่ถูกใครเขาฆ่ามันก็ตายเหมือนเดิมเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจะไปกลัวอะไร คันเนี่ยโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้เรื่องเลยสร้างปัญหาต่างๆขึ้นมาเลยต้องอาศัยการศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้รู้เรื่องราวเหล่านี้หมดแล้วเลยเดี๋ยวขอส่งไมไปก่อนของหนูนะคะก็จะเป็นในเกี่ยวกับที่ทำงานนะคะ เดิมนะคะเป็นมีช่วงหนึ่งที่ชอบนั่งสมาธิ บ, บ่อยๆจนรู้สึกว่าตวเงชอบอยู่เงียบๆแต่ว่าในงานเนี่ยมันเป็นงานที่จะต้องอยู่กับคนเยอะๆแล้วก็ในในตัวงานเนี่ยมันเป็นงานที่มีความแข่งขันสูงก็จะเจออะไรหลายๆอย่างที่เป็นความน่าเบื่อของของคนอะไรเงี้ยค่ะออตอนแรกก็รู้สึกอึอดอัด แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะทำงานตรงนี้ต่อหรือหรือยังไงดีแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังธรรมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มพิจารณาก็มองเห็นธรรมชาติในตัวทุกคนคือเห็นทั้งความดีและความไม่ดีอะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเข้าใจในธรรมชาติตรงนี้แล้วก็ความรู้สึก ที่อึดอัดก็เบาบางลงแล้วพอพิจารณามากขึ้นก็คือทุกครั้งที่เราเห็นอะไรไม่ดีหรือรู้สึกว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีอะไรคําพูดไม่ดีอย่างเงี้ยก็จะน้อมเข้ามาที่ตัวเองเสมอว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราเคยเป็นไหมถ้าถ้าเราเคยเป็นถ้าเห็นปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเคยเป็นก็จะก็จะก็คือจะ ตัวเองค่ะปรับที่ใจตัวเองปรับนิสัยตัวเองทำอย่างนี้มามากๆจนการที่จะติดติตติงผู้อื่นมันก็คือลดลงลดลงไปแล้วเ อ, อหนูไม่แน่ใจว่าตรงนีเ้เรามาถูกทางไหมอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้เรียกว่าการเจริญปัญญาไหมค่ะก็ถูกอะถ้า ใจเราวุ่นวายน้อยลงปล่อยวางได้มากขึ้นก็ถูกทางแล้วปัญญาในทางนี้เนี่ยเป็นปัญญาที่เป็นประโยชน์ในทางโลกเราเป็นปเป็นปัญญาที่เป็นประโยชน์ในทางมารรคผลไหมคะมันก็เป็นคนร ะ, ะดับกันระดับนี้เราเกี่ยวข้องกับคนมันก็เป็นปัญญาระดับนี้ ระดับที่เราจะต้องขึ้นไปสูงกว่านี้ก็คือต้องไปปล่อยวางพวกของที่ใกล้ตัวเราหรือร่างกายของเราความรู้สึกเจ็บสุขทุกข์ของเราและอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเรามันเป็นคนละระดับกันตอนนี้เราอยู่ระดับอนุบาลแล้อยู่ระดับปฐมเราต้องผ่านระดับนี้ไปก่อนเราถึงจะเข้าสู่ระดับ ที่สูงขึ้นไปได้คือระดับร่างกายของเราระดับความสุขทุกเวทนาของเราแล้วก็ระดับอารมณ์ของเราตามลําดับต่อไปมันก็เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนคนที่เราต้องรู้จักปล่อยวางแล้ว เ, เวลาที่เรามีความสุขแล้วเราก็พิจารณาความสุขของเราว่ามันใช่ไหมเออมัน มันจริงหรือเปล่าแล้วเราก็เริ่มรู้สึกเฉยกับความสุขที่ที่เราได้รับอย่างนี้ล่ะคะมันก็มีสุขแท้สุขปลอมไงถ้าสุขแท้มันก็มันก็อยู่กับเราไปเรื่อยสุขปลอมมันมาแล้วมันก็ไปไปเที่ยวแล้วมันก็ได้ความสุขพอกลับมาจากเที่ยวมันก็หายไปก็มีสุขชั่วคราวสุขยั่งยืน สุขยั่งยืนก็เกิดจากการปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วมันก็จะสุขกับเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็จะไม่มาทําให้เราทุกข์เมื่อเราเห็นหรือเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นความเข้าใจนี้มันเป็นการปรุงแต่งหรือไม่คะมันก็ต้องปรุงแต่งปัญญาก็คือเรื่องของการปรุงแต่งนะปรุงแต่งตามเหตุตามผลตามความเป็นจริง ไม่ได้ปรุงแต่งไปตามจินตนาการหนังก็ถึงมีหนังสองแบบหืหน like ัง ant, for, สือก็มีหนังสือสองแบบหนังสือแบบนิยายกับหนังสือตามความเป็นจริงเอปัญญาเป็นเรื่องของความคิดปรุงแต่งไปตามความเป็นจริงเอส่วนจินตนาการนี่เป็นความคิดปรุงแต่งไปตามจินตนาการไม่มีสาระความเป็นจริงเป็นที่รับรอง มันก็เป็นความปรุงแต่งเนนั้นปัญญาก็ต้องอาศัยความคิดปรุงแต่งคิดในอริยสัจสีนี่ก็เป็นความคิดปรุงแต่งแต่เป็นความคิดปรุงแต่งที่มีความจริงจริงรองรับอยู่แต่ความคิดปรุงแต่งว่าฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่มันไม่มีความรองรับอยู่ฉันเป็นนายแบบนางแบบมันไม่มีความเป็นจริงอันนี้ก็เรียกว่ามันก็เป็นความคิดปรุงแต่งเหมือนกัน แต่เป็นเขาเรียก fiction กับ n ั่ fiction ภาษาอังกฤษ fiction ก็คือไม่ใช่เรื่องแท้จริงไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจินตนาการส่วน fiction n ั้ fiction นเนี่ยแปลว่าของจริงตามความเป็นจริงข้อดีของการมีอุเบกขาะคะ่ะคือถ้าหนูคิดเองในแง่ของหนูคือทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆในด้านความเป็นจริงมากขึ้น การปรุงแต่งน้อยก็จะเข้าจะเข้าเข้าถึงไตรักได้มากขึ้นอันนี้หนูเข้าใจถูกไหมคะก็ถ้ามีอเุเบกขามันก็ปรุงแต่งไปทางจินตนาการน้อยลงมันก็จะปรุงแต่งไปในทางความเป็นจริงมากขึ้นไตรักก็คือความเป็นจริงมันก็จะเห็นความเป็นจริงอนิจจังทุกอย่างไม่เที่ยงมากขึ้น อ้าเป็นจินตนาการมันก็คิดว่าได้อะไรแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดอนะนั่นมันก็ไม่ไม่ตรงออกับความเป็นจริงถ้าคิดไปในทางนิจจังสุขขังอนัตตาก็เรียกว่าเป็นฟิคชั่นนะไม่เป็นไปตามความเป็นจริงถ้าคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เรียกว่านำฟิคชันเป็นความจริง มีอยู่อย่างหนึ่งนะคะอันนี้คําถามสุดท้ายแล้วค่ะเออบางทีหนูจะเข้าใจในบางเข้าใจตัวจิตตัวเองว่าเราวางในบางเรื่องได้อย่างเช่นเราเป็นคนมักโกรธในบางเรื่องเรารู้สึกว่าเราวังเรื่องนี้ได้แล้วเราลดความโกรธได้แล้วแต่ว่ามันเวลาที่ฝันน่ะมันจะมีเหมือนเหตุการณ์จําลองมาทดสอบมากระตุ้นอารมณ์ตรงนั้น แล้วบางทีหนูก็กระโจงใส่พอตื่นขึ้นมาหนูก็รู้สึกว่าที่เราคิดว่าเราได้แล้วจริงๆมันไม่ใช่เออมันอาจจะได้เป็นพักๆเป็นบางช่วงบางเวลาเวลาใดที่มีสติปัญญาก็บางได้พอเวลาเผลอมันก็ยังยึดอยู่แสดงว่ามันยังไม่ได้ไปถอนที่รากโคนของมันรากโคลนของปัญหาก็คือความอยากความหลง ต้องเห็นว่าเป็นไตรักนเะนี่ยมันถึงจะถอนได้อย่างท้าววนค่ะสาถูกค่ะข อ, อการกับอาจารย์เวลาอย่างเรานั่งสมาธิแล้วเราจับลมหายใจครับอาจารย์ัางครั้งเวลาจับที่ปลายจมูกแล้วมันรู้สึกว่ามันหนักขึ้นทีนี้พอมันหนักมากก็ก็เลยปล่อยแค่ รู้สึกว่ามีลมผ่านเข้าผ่านออกที่จมูกแทนอย่างเงี้ยมันก็สงบลงอันนี้มันถูกวิธีหรือเปล่าครับอาา้ันนี้ถ้ามันหนักก็ไม่ใช่ทำแบบที่มันเบามันสบายมันง่ายกับเราวิธีของคนอื่นอาจจะไม่เหมาะกับเราบางคนเขาใช้พูดเข้าโทรออกพอเราใช้นะมันรู้สึกยุ่งยากก็ไม่ต้องใช้บางคนชอบพุโทโธอย่างเดียวก็พุโทโธไปอย่างเดียว คมคนชอบดูลมหายใจอย่างเดียวก็เดาลมไปถ้ายังดูไม่ได้พุดโทนไม่ได้บางทีก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้หรือถ้าชอบฟังเทศน์ฟังธรรมเปิดธรรมะฟังไปกล่อมใจไปก่อนก็ได้มันอยู่หลาหลายระดับจิตใจของเราบางวันก็ฟุ้งมากฟุ้งน้อยบางทีก็ต้องใช้วิธีที่ต่างกันไปที่พระเจ้าท่านบอกว่าให้ดูลมเข้าลมออกแล้ว บางบางท่านก็บอกว่าให้จับที่ปลายจมูกให้จับที่ริมฝี่ปากบนอันนี้คือจริงๆหลักก็คือเทคนิคเพิ่มเติมหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ให้ดูว่าลมอยู่ตรงไหนไงใจได้มีที่เกาะนั่นเองไม่งั้นเดี๋ยวใจมันเคว้งไปคิดถึงเรื่องนู่นเรื่องนี้ได้ให้มันอยู่ที่ที่สัมผัสรับรู้ได้เวลาลมเข้าารมออกมันต้องมีความรู้สึกใช่ไหมครับมันจะแตะอยู่แถวปลายจมูกือเหนือเหนือลิมฝี่ปากแล้วก็เฝ้าดูอยู่ตรงนั้น บางสำนักก็ให้ดูที่หน้าท้องเพราเวลาดมเข้าก็รู้สึกว่าท้องมันพองขึ้นมาก็ก็ก็ดูที่หน้าท้องก็ได้เนยท้องเขาก็ว่ายุบหนอพองหนอไปจะว่าก็ได้ไม่ว่าก็ได้ให้รู้เฉยๆก็ได้รู้ว่าตอนนี้ท้องยุบเข้าไปท้องพองขึ้นมาแล้วแต่จะถนัดแต่ละคนนี้มีความถนัดไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายหลักก็คือให้มีอะไรให้ใจทําให้มีใจเกาะ จะแล้วไม่นั่งคิดพุ่งซ่าเนื่ อ, อยตัวเพราะทุกครั้งส่วนใหญ่ที่ผมจับไปลาจมูกหรือตรงนี้มันจะหนักผมก็เลยปล่อยแล้วก็แค่รู้สึกว่าเขาออกเข้าออกแค่นี้ได้วิธีไหนก็ได้ไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ได้ให้รู้ว่เข้าหรือออกแค่นี้ก็พอคขอให้มันดีอะไรก็ไม่ให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นเท่านั้นเองใจจะได้ว่างจะได้เยน็นจะได้สงบได้ครับขอบคุณครับอาจารย์อืม แต่มันไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะสงบได้บางทีหลายก็ต้องทําไปเรื่อยๆเพราะสติเรามันยังไม่แน่นอนเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็วับไปที่นู่นเดี๋ยวก็วับมาที่นี่เอก็ต้องทำมาให้มันแบบไม่เผลอให้มันอยู่ต่อเนื่องเป็นสัมปชัญญะเป็นยาวเหยียดต่อไปไม่มีขาดตอนสติไม่ขาดตอนนะั่นนะมันก็จะรู้สึกสงบขึ้นมาทันทีแล้วที่มันหนักเพราะว่าอะไรครับ ก็กิเลสส่วนหนึ่งกิเลสมันต่อต้านกิเลสมันไม่ชอบให้เรามันไม่ชอบอยู่เฉยๆมันชอบคิดปรุงแต่งชอบหารูปเสียงกลิ่นล้อห า, หานู่นหานี่พอให้มันอยู่เฉยๆมันก็เลยอึดอัดมันก็เลยทำให้เราสึกหนักขึ้นมาอ่ะต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ถ้าไม่ใส่บาทไม่ทำทานเลยแต่สวดมนั่งสมาธิภาวนาอย่างเดียวได้หรือไม่คะจำเป็นต้องทำให้ครบทานศีลภาวนาหรือไม่คะมันจะทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราทำทานเราก็มีทรัพย์เหมือนกับเอาเอาทรัพย์ภายในได้ทรัพย์ภายในเอาเงินไปฝากธนาคาร ถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่ชาติหน้าเราก็จะได้มีสเสบียงมีทรัพย์รอเราอยู่ถ้าเราไม่ทำบุญทำทานในชาติหน้ากลับมาเราก็เกิดกลับมายากจนแต่ถ้าเราไม่สนใจยินดีที่จะยากจนยินดีที่จะมีความสุขจากการสวมดมนต์ก็ได้สวมดมนต์ก็ทำให้ใจเราสงบเราก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีทรัพย์ ก็อาจจะดีก็ได้จะได้ไปบวชได้เกิดมาชาติหน้ายากจนไม่มีทรัพย์ก็เลยไปบวชเพราะเราชอบสวดมนต์อยู่แล้วไปบวชก็ไปสวดมนต์นี่เองก็ได้น้าแต่น้าแต่ว่าเราต้องการอะไรคนที่เขายัางกลัวความยากจนอยู่เขาก็ไม่อยากจะกลับมาเกิดยากจนเขาก็ทําบุญไปเขาก็จะมีทรัพย์หล่อเขาอยู่คําถามจะคุณรพีพนันธ์ ถ้าเราทำบุญใส่บาตรแล้วแต่ไม่ได้กรวดน้ําใส่แก้วจะใช้ระลึกเอาได้ไหมคะได้ไม่ต้องใช้น้ําไม่ต้องใช้แก้วอันนี้เป็นตัวอย่างของบุญบุญจริงๆคือความอิ่มเอิบใจที่เกิดจากการทำบุญทำทานแล้วแบ่งความอิ่มเอิบใจให้กับผู้ที่หิวโหวยทางดวงวิญญาณได้คำถามจากป้าหวัง นั่งสมาธิแล้วปวดขามากๆต้องทนให้ได้ต้องใช้ธรรมะข้อใดในการข้ามพ้นเวทนานี้เจ้าคะก็ใช้สติเนี่ยแหละใช้คําบริกรรมพุโทโธเอทำดูดูดลมหายใจต่อไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บอย่าไปอยากให้มันหายปล่อยมันไปให้มันอยู่ตามเรื่องของมันอย่าไปสนใจรับรู้แล้วก็ปล่อยวางแล้วก็มาดูลมไปหรือพุทโธไปต่อแล้วเดี๋ยวความเจ็บนะั้นมันก็จะจางหายไป ถ้ามันไม่หายถ้าใจเราไม่มีความอยากกับมันมันก็ไม่มาลบกวนใจเราต่างฝ่ายก็ต่างอยู่กันได้ถ้าใจเราเป็นอุเบกขาปล่อยวางได้คำถามจากคุณออรากายเบทนาจิตธรรมแยกกันเป็นส่วนๆธรรมหมายความว่าอะไรคะ อ, อ๋อันนี้มันเป็นข้อสอบของเราท่านปัญญาที่เราจะต้องใช้ปัญญาเพื่อปล่อยวาง สิ่งเหล่านี้ที่เรายังผูกพันอยู่ยังไปฝากความสุขความทุกข์ของเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ถ้าเราไปติดกับมันเราได้ความสุขจากมันเราก็จะได้ความทุกข์จากมันด้วยถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์จากมันเราก็อย่าไปติดมันอย่าไปหาความสุขจากมันอย่าไปหาความสุขจากร่างกายอย่าไปหาความสุขจากเวทนาอย่าไปหาความสุขจากอารมณ์ต่าง ต้องปล่อยวางมันต้องตัดมันไปอันนี้มันเป็นเป้าหมายของปัญญาไม่ใช่ของสติหรือสมาธิต้องผ่านสติผ่านสมาธิไปก่อนถึงจะไปสู่ขั้นของปัญญาได้ปัญญาก็ต้องใช้ไตรลักษณ์พิจารณาว่ามันเป็นไตรลักษณ์ร่างกายเป็นไตรลักษณ์เวทนาเป็นไตรลักษณ์จิตเป็นไตรลักษณ์ก็จะได้ปล่อย ควาาตายละก็คือทุกข์นั่นเองทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงทกเพราะเราควบคุมมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยร่างกายก็ต้องปล่อยถ้าปล่อยร่างกายได้ก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้าปล่อยเวทนาได้ก็ไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาถ้าปล่อยอจิตได้ก็ไม่ทุกข์กับอารมณ์บูตเบี้ยวต่ตางๆที่เกิดขึ้นภายในใจ คำถามจากคุณน้ำพึ่งลูกถือศีลแปดปฏิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงพ่อมาเกือบจะครบสองปีแล้วค่ะฝึกปฏิบัติจนข้างในมันเงียบๆในจิตมันเกิดอาการเบื่อหน่ายทุกอย่างใจมันปล่อยวางทุกอย่างที่รู้เห็นตามเหตุที่เกิดค่ะอย่างนี้ถูกทางหรือเปล่าคะถูกก็ละถ้าปล่อยวางได้ก็ก็ถูกเดี๋ยวต้องขยับหน่อยเส้น้ายมันจะ จะเป็นตะคิวว่ามีอีกไหมไม่หมดแล้วหมดแล้วค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมมีแนละ้วเดี๋ยวเอาไมค์รโฟนไปไหน่อยจะได้เสียงดั ง, งอย่างผมมีความสงสัยครับอาจารย์เรื่องการทำบุญอ่าอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่อย่างหลวงตามหาบัวงเนี้ยครับ ท่านก็มีบุญมากแต่ทำไมตอนเกิดมาท่านถึงไปเกิดเป็นต่างจังหวัดหรือว่าลูกชาวนาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้ทำบุญทำทานมากเนะี่ยท่านอาจจะไปฝึกสติฝึกสมาธิมากกว่าท่านก็เลยได้บุญกนละแบบกันอย่างที่เมื่อกี้พูดเนะี่ยอาจจะชาติก่อนไม่มีโอกาสได้ทาบุญเกิดมายากจน แต่ได้มีโอกาสไปอยู่วัดไปฝึกไหว้พระ ส, สวดมนต์กับหลวงพี่หลวงตาอะไรต่างๆพอกลับมาเกิดมันก็เลยไปบวชได้ไปอยู่วัดได้แต่ยากจนแต่ไม่ร่ำรวยครับมีคำถามไหมหม อ, อจำไหมหมอนะ่ะ มันมีครั้งหนึ่งค่ะถ้าอาจารย์ค้ามันเหมือนกับมันมีความรู้สึกว่ามันจะตายค่ะถ้าอาจารย์แล้วมันเหมือนกับสติมันเกิดแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทํา่ะอาจารย์คือมันเหมือนมันบางๆแต่มาตัดความรู้สึกกลัวทุกอย่างห่วงทุกอย่างแบบชั่วชั่ชั่วบแบบเป็นช่วงเวลาเป็นวินาทีสั้นๆห้าหกวินาทีแล้วก็วางได้หมดโยมก็สงสัยว่าอันนี้คือที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่า ถ้ามันเกิดจริงโนนมเี่ยค่ะใช่ไหมคะท่านอาจารแต่พอครั้งหน้ามันก็ไม่เกิดอีกแล้วมันเหมือนกับมันมาให้ชิมท่านอาจารย์อันนี้ก็คือมันต้องทํำบ่อยๆแล้วให้มันเกิดเองได้บ่อยๆใช่ไหมคะท่านอาจารย์คะก็ถ้ามันไม่เกิดเราก็ต้องทําให้มันเกิดเนี่ยค่ะถ้ามันเกิดเองก็แสดงว่าเราเคยปลูกฝังไว้แล้วมันก็เลยเกิดมันอาจจะต้องมีอะไรมากระตุ้นมันให้มันเกิด ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรมันก็จะไม่เกิดก็ได้แต่ทีนี้เรจะปลูกฝังยังไงคะท่านอาจารย์ก็เหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์สอนก็คือเจริญสติฝึกสมาธิไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาทางปัญญาพิจารณาใจรักไปเรื่อยก็เป็นเหมือนการทําการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อนเดี๋ยวพอเวลาข้อสอบมามันก็จะรู้เองจะตอบแล้วสอบได้หรืไม่ได้ค่ะเพราะมันเหมือนแบบมันมีแวบหนึ่งที่ว่า เอ๊ยยังไม่ได้ทำพินัยกรรมแต่สติมันชั่วบมันหายเลยค่ะท่านอาจารย์ลูกมันชั่วบหายคือโยมก็รู้สึกว่าเออมันอัศจรรย์มากค่ะท่านอาจารย์ค่ะมันมันเหมือนกับมันพร้อมที่จะไปตอนนั้นเลยคือแบบไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบโทรเรียก ambulans หาหมอหรืออะไรเลยนะถูกต้องแล้วแหละค่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คงจะเป็นต่อไปเขาหน้าถ้ามีเหตุการณ์คล้ายคลึงกันมันก็คงจะ แาจาคงจะตัดไปเหมือนกันแต่มันไม่เกิดป่อยค่ะอาจารย์เพราะมันเคยครั้งหนึ่งค่ะตอนที่มัน ม, มีเหตุการณ์ให้เกิดมันก็ไม่เกิดนะมันต้องมีเหตุการณ์เพราะตอนนั้นมันมีครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้คือเจ็บหน้าอกแล้วแทนที่จะโทรเรียก a m b u l น n s สาธารณะก็คิดพิจรารณาอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่เรียกแต่ไว้ให้นอนเตรียมตัวตายแต่อันนั้นพอมันไม่เกิดใจมันหนักค่ะอาจารย์มันก็เหมือนกังวลนู่นกังวลนี่ลึกๆคือมันทําไม่ได้แต่พอมันเล่าถวายท่านอาจารย์ว่าแต่พอวันมันเกิดนี่มันอัศจรรย์จิงนออาาจรย์้วไไมม่่เกกกิด็ตตง แล้วก็ทําใจให้สงบไปอย่าไปอยากยิ่งอยากยิ่งทุกข์ต้องรักษาความสงบรักษาความอุเบกขาไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ยจะทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธดูลมไปอย่าไปคิดปรุงแต่งคิดแล้วขาดทุนหยุดคิดแล้วกําไรให้คิดแค่นี้ก็พออต่อไปหมนแล้วเลยมีอีกคําถามหนึ่งค่ะ คำถามจากคุณบีจะต้องทําจิตอย่างไรเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งคะก็เฉยเท่นานั้นเองจิตไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นเป็นร่างกายเราไปหลงคิดว่าเราเป็นจิตเราก็ไหลวุ่นวายไปกับร่างกายงั้นถ้าเราไม่รู้จะทําอะไรก็เฉยเฉยพุทโทไปถ้ามันไม่เฉยก็พุทโทไปสู้กับมันสู้กับความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่าน ความกลัวความวิตกอะไรต่างๆด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธสวดมนต์ไปให้มันหยุดคิดให้ได้พอมันหยุดคิดแล้วใจก็สบายใจไม่ได้เป็นอะไรร่างกายมันก็ยังเป็นมะเร็งอยู่แต่มันไม่เดือดร้อนกับความเป็นมะเร็งของร่างกายเพราะมันหยุดความวุ่นวายของใจได้ที่ไปวุ่นวายกับร่างกายเองแต่ถ้าจะให้มันหายแบบไม่ต้องสวดไม่ต้องพุโทโธก็ต้อง มองเห็นรมว่าเรากับร่างกายเป็นคนละคนกันเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราเป็นนายร่างกายเป็นคนรับใช้เราคนรับใช้เป็นอะไรก็เรื่องของมันรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้เดี๋ยวก็ก็ปล่อยมันไปแยกทางกันไปเราก็อยู่ของเราเขาก็อยู่ของเขาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะโอเคต่อมคิดว่าพอสมควรแล้วนะ